ได้มาพบกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะติดหนทนาอะไรก็ได้โปรดถามแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าสมาจะรู้หมดทุกอย่างนะอะไรที่พอเข้าใจพอที่จะให้คำตอบได้ก็จะตอบพอจิตนิง่ง ลมหายใจจะหายไปและคำภาวนาก็หายไปคล้อมกันแล้วแต่รู้สึกเช่นนี้แค่เดียววก็รู้สึกตัวแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดลงไป ถึงจุดซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำท่าจะหายขาดไปคำภาวนาก็หายไปพอรู้สึกตัวขึ้นอพอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาตกใจแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิ เมื่อเจตนจากสมาธิแล้วเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดายความเป็นของจิตในขณะนั้นที่มันตินขึ้นมานั้นให้กำหนดจิตอริกรรมภาวนาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาหายไป ถ้าตอนนี้เราไม่เกิดสุกใจหรือเอดใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นที่ตัวก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียวร่างกายตัวตนไม่ปราผล แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเมื่อลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาให้หาเรื่องให้จกิดมาพิจรารณาพิจารณาโดยเพ่งกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะเป็นบริเวณหน้าอกก็ได้ จะเป็นกระดูกอจจะเป็นท่อนแขนท่อนขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยกำหนดลงในจิตว่าเราจะลอกหนังออกแล้วก็กำหนดเผื่อเนื้อออกจนกระทั่งมองเห็นกระดูกคือว่าใจมองเห็นกระดูกตายัางไม่เห็นก่อนเล็กลงไปให้มันถึงกระดูก โดยกำหนดลอกหนังออกเสื้อเนื้อออกแล้วเลึกให้มันถึงกระดูกเลิกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อจิตน้อมใจเชื่อลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิแล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมองเห็นกระดูกในจุดที่เพ่งนั้น ในทำลองนี้จะทำให้เราได้สมถะกรรมาฐานเร็วขึ้นเป็นมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยให้คำแนะนำกันมาท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุทโธมาถึงหกปีเจ็ดตัวเตียนแค่สงบลงไปทำท่าว่าลมหายใจจะหายไปทำภาวนาก็หายไป แล้วกีก็ตื่นขึ้นมาไม่ถึงความสงบสักทีที่นี่อาจารย์องค์นั้นก็ไปถามท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งอาจารย์องค์นั้นก็เป็นโยมทีผ้าขาวยังไม่ได้ปวดเป็นเนนว่าทำอย่างไรกิตมันจงะสงบเป็นสมาธิดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นก็ให้คำแนะนำว่าให้เพ่งลงตรงหน้า อ, อกให้นึกให้มันเห็นกระดูก โดยหลอกหนังออกเสือเนื้อออกแล้วก็จ่องติดลงไปบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอาจารย์องค์นั้นไปปฏิบัติตามก็ได้สมาธิแล้วก็ได้สมาธิเห็นกระดูกตรงหน้า อ, อกตอ น, น, นแรกๆก็มองเห็นแต่กระดูกตรงหน้า อ, อกเพียงนิดเดียวมา่ได้นิมิตเห็นก็เห็นกระดูกตรงนั้นจิตมันก็สงบนิ่งจ่ อ, อยที่ตรงนั้น ลงฝนสุดท้ายก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมดมองเห็นตายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกในเมื่อมองเห็นกายเป็นโครงกระดูกอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วโครงกระดูกก็พังลงไปแล้วก็สลายตัวไปหายไปหมดจังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิว่างอยู่อย่างเดียวทีนี้ในอันดับต่อไปนั้นเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่เฉย ภายหลังเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่พอสมควรแล้วก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ทราบว่าอะไรมันมีลนนมแล้วผ่านที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับที่เม่ที่ลอยผ่านสายตาเราไปอย่างนันน่ยแต่ว่าจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่มันมีให้รู้ให้เห็นมันก็ผ่านไปก็มันได้เรื่อยทีนี้นึกถามลองดูสิว่าตรงนี้อลองนึกถามดูสิว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นโูมความรู้แกนโูมปัญญาของจิตจางละเอียดส้ด ซึ่งเป็นความจริงความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญตัติสภาวธรรมส่วนที่เป็นสัตย์จะทำเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าเีติภูตังเีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นในมุตโตไทยมีความหมายว่า เหติคือความตั้งเด่นอยู่ของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาความประชุมพร้อมของอริยมรรคยังจิตให้บรรลุถึงความเป็นปกติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตมีอริยมรรคประชุมพร้อมภายในจิตมีลักษณะน่าสงบนิ่งตว่าง อำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิรูภภูมิธรรมอย่างละเอียดภูมิโลภภูมิธรรมที่เกิดขึ้อนอย่างละเอียดไม่มีสมมติบัญญัตินั้นถ้าเรียกว่าภูตังภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรสงสัยต่อไป ในเมื่อเราไม่สามารถจะเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจรึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไปแม้แต่เพียงแค่ว่าถ้าแม้แต่ท่านสแสดงธรรมะจับให้พิสุเป็นจวา ก, กีฟัง เมื <Ooh. S 2> source, ad ad. ่อท่านอัญญาโกลทัญญารู้ทำเห็นรรมก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทีนี้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาในขณะที่ท่านอัญญาโกลทัญญะรู้เห็นนั้นท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา ท่านอนยาโคนัญยะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่อยู่ในสมาธิรู้เห็นสิ่งนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะจิตของท่านสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้ก็ผ่านไปรู้ไปแต่ไม่ทราบว่าอะไรเมื่อท่านออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พราะในขณะที่ท่านรู้ท่านไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่มันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจิตโู้รูก็มีอยู่สิ่งที่ให้จิตรู้ก็มีอยู่แต่เรียกเือไม่ถูก <c oughs> ท่านแนะนำหนึ่งให้จเจริญสมาธิ 2. ให้พิจารณาอสุภาพกรรมฐานสามให้พิจารณาธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นหลักวิชาในเมื่อจะพูดเป็นเรื่องเป็นเา่าให้เป็นหลักสูตรก็ต้องว่ากันไปตามลําดับขั้นในปัญหาสามข้อนี้ข้อนหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภาพกรรมฐานสามให้พิจารณาธาตุ ในสามข้อนี้ใครจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาใดๆก็ได้เช่นพอใจจะพิจารณาอสุภะกรรมฐานก็พิจารณาเรื่องอสุภากรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุก็พิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้งสามอย่างนี้ถ้าจเจริญแล้ว การเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้นได้รับผลชาคือบางทีบริกรรมภาวนาแล้วจิตอาจจะไปติดอยู่ในความสงบภายหลังจะต้องพยายามขวนขวายที่ารณาอสุภาพกรรมฐานหรือทาตกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจึงจะเกิดปีภูมิความโล่งขึ้นมาได้ แต่ถ้าพิจารณาสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวการพิจารณาก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนในข้อต้นในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อหนึ่งข้อสาเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะเกิดภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อที่หนึ่ง ปัญหาต่อไปเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวอันนี้เป็นลักษณะของความปดสั้นเข้ามาของกระแสติด ที่ส่งกระแสไปในสู่ที่ไกลๆแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตจะสงบมันก็เริ่มหดสั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวแล้วมันสู่จุดแห่งความสงบซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมกลับเข้ามาในตัว บางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ที่ไกลๆนู้นมองสุดลูกหูลูกตาเมื่อบริกรรมภาวนาหนักเข้าแสงนั้นจะย่อนใกล้เข้ามาหาตัวเข้ามาทุกทีทุกทีเมื่อจิตสงบเข้ามาจริงๆแล้วแสงจะวิ่งเข้ามาในตัวเกิดความสงบสว่างขึ้นภายในจิตอันนี้เป็นลักษณะการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิซึ่งมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติ เมื่อต้องการจะอยู่เมื่อต้องการจะหยุดทำสมาธิ ค, I I. คล้ายกับมีร่างคล้ายกับมีร่างสองมีจิตแยกกันอยู่เหตุการณ์ดังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไป เราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแสงขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรามีกายสองกายมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่ากายของเราแยกออกไปอยู่ข้างนอกความรู้สึกของเราจึงแยกออกเป็นสองส่วนในเมื่อเหตุการ์อย่างนี้เกิดขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้นก็าตามมันจะเป็นสองล่างสามล่างสิบล่างก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากการทำสมาธิเมื่อจิตสงบปลงอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิกระแสะจิตส่งออกไปข้างนอก้าไม่เห็นภาพหรื อ, อลูกอย่างอื่นก็จะมองเห็นลูกของตัวเองปลากรดขึ้นเมื่อจิตสงบเข้าจริงจังแล้วล่างที่สองหรือจิตที่สองจะหายไป จะมารวมอยู่ที่จิตจิตเดียวคือจิตของเราเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นทางผ่านของการทําสมาธิปัญหาสําคัญอย่าไปเอะใจหรืออย่าไปตื่นกับเหตุการณ์เหล่านั้นให้กําหนดรู้ลงที่จิตที่สงบอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไปเอะใจกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะถอนจากสมาธินิมิต ท, ที่มองเห็นจะหายไปปัญหาต่อไป ขั้นของสมาธิที่เราปฏิบัติได้จะสังเกตด้วยปรากฏการหรือระยะเวลาที่ปรากฏการ น, นั้นเกิดขั้นของสมาธิที่ปรากฏการเกิดขึ้นความเกิดขึ้นของสมาธิมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือกำหนดพิจนารณาอะไรอยู่ก็ตาม เมื่อจิตเกิดมีอากาเรเพิ่มลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วก็จิตสงบผู้ลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวัยขึ้นอันนี้เป็นลักษณะความสงบอีกอย่างหนึ่งความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้ทำสมาธินั้นยังไม่ชำนานในการเดินจิตเราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้ว ช่วงระหว่างกลางนี้เรากําหนดไม่ได้สมาธิเกงยังไม่พร้อมด้วยองค์สมาธิที่พร้อมด้วยองค์นั้นผู้ภาวนาจะต้องกําหนดรู้ไปแต่วิตกวิจารณ์แล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกับขตาคือคว า, ามเป็นหนึ่งของจิตจนกระทั่งจิตละวิโสวิโสวิจารณ์ปีติสุขยังเหลือแต่เอกับขตากับบุเบขาซึ่งเป็นสามสสาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะ สมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌานเป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้ให้เป็นเป็นสมาธิทำธรนานพอสมควรถ้าทำนานในจิตจริงๆแล้วสามารถอธิใจจะัจะจะจบยังกิตของตนเองให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆนตามที่ต้องการเว้นเสแต่ว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่สี่ขั้นขั้นที่สามที่สี่แล้วนั่นแหละ จิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่หนึ่งที่สองในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆได้คือเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เราเน้กประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของปิติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้ แต่ถ้าหากถึงฌานขั้นที่สามที่สี่แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาต่อไปข้อที่หนึ่งสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาทำอย่างไรสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาคำ ว, ว่าวิปัสสนานี่มันมีอยู่สองขั้นตอน วิปัสลาขั้นต้นหรือวิปัสลาที่ใช้ตสติปัญญากําหนดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอณิจ ang ทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาโู ก, ลโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, น้อมไปสู่ความเป็นอณิจ ang ทุกขังอนัตตาใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียนมาแล้วไปนึกเอานึกเอา เรียกว่าการเจริญรีปัสนาแบบใช้สติปัญญาธรรมดารรมดาการใช้สติปัญญาพิจารณาลูกเทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความรู้สึกนลกคิดเอาเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติเป็นการตกแต่งปฏิปทาเพื่อให้จิตสงบโรงเป็นสมาธิ เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วจะเกิดวิปัสนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้อณิจังทุกขังอนัตตาเองจพงทำความเข้าใจว่าถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้นท่านจะเจริญวิปัสนาอย่างไรท่านจะไม่ได้วิปัสนาเพราะวิปัสนามีมูลฐานเกิดขึ้นมาจากสมถะคือสมาธิ ถ้าสมาถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้นท่านก็ได้แต่วิปัสนาแบบเลิกคิดเอาเองเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ใช่ตัววิปัสนาที่แท้จริงปัญหาที่สองคำภาวนาพุโทโธเป็นสมาธิจะทำให้เป็นวิปัสนาต่อไปจะทำอย่างไร <c oughs> คำภาวนาพุโทโธทำาจให้เป็นสมาธิ ได้พูได้ ว, ว่าภาวนาพุทโธจิตสงบลงเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิถ้าต้องการจะให้จิตเป็นวิปัสนาเกิดเนื่องจากการภาวนาพุทโธพอทําจิตให้สงบลงไปรู้สึกว่าสงบสว่างขึ้นมาแล้วร้อมจิตไปทิจารณารูปเบตาสัญญาสังขารวิญญาณ น้อมไปสู่จุดแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งเรียกว่าปรไตรลักษณ์เลอมิจันนั้นก็กําหนดรู้ที่จิตของตัวเองเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นคือความคิดก็กําหนดตามรู้ความคิดนั้นๆเรื่อยไปทีนี้เมื่อความคิดอันใดดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราเอาพระไตรลักษณ์หืออนิจจังทุกขังอนัตตาพวบกทกุมความคิดว่าความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จะเริ่มวิปัสนาในสมาธิอ่อนๆบางครั้งเราเลิกคิดแล้วสมาธิจะถอนมาสู่สภาพปกติธรรมดาก็อย่าเลิอกจากการคิดพิจรารณาเอาการคิดตามพิจรารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลืลกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดจิตจะสงบลงสู่ความเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดวิปัสสนากรรมฐ า, านขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน การบริกรรมภาวนาเนี่ยบางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปพอเป็นอุปจารสมาธิจิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แสดงว่าผู้นั้นเคยเจริญวิปัสสนามาก่อนแล้วตั้งแต่คาดก่อนโน้ตถ้าท่านผู้ใดไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนจิตสงบลงไปแล้วก็เกิดจิตสงบลงไปแล้ว วิปัสสนาก็ไม่เกิดกันแต่เพียงว่าไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในทำลองนี้ต้องฝึกหัดค้นคิดในแง่วิปัสสนากรรมาฐานยกเอาอะไรมาพิจนารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจิตจะรู้ภูมิแห่งวิปัสสนาไปเองอปัญหาต่อไป ที่กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนาการรู้วา่า การรู้ว่าเหตุใจจึงเกิดเป็นคนอันนี้ไม่เฉพาะแต่เราพุทธเจ้าพวกเลวศีสมัยโบราณก็รู้เหมือนกันว่าเหตุใจจึงเกิดเป็นคนเช่นย่างพวกเลวศีลเทพรีบัมเป็นตะปะอยู่ในภูในเขาในเมื่อทําสมาธิให้เป็นสมถะได้ฌานสา ม, มารถเกิดจินยารู้ได้เหมือนกันวาชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรมา แต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงไม่ตัดรู้ไม่สามารถทำลายที่เดชได้การรู้เราเลิกคาดผลหลังได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ในฐานะที่เราเรียนจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็จริงมักจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ว่าเหตุใจคนจริงเกิดมาเป็นคนได้แต่แท้ที่จริงฤาษีเขารู้มาก่อนพระพุทพุทธเจ้าอันนี้เป็น ความลู้พิเศษไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะรู้ผู้ใดทําสมาธิให้ได้ถึงขั้นสมถะ ห, หรือได้สําเร็จทานสามารถเกิดอภิญญารูย้ยิ่งเห็นจริงว่าธาตุก่อนเขาเกิดมาเป็นอะไร เ, เขาเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วสามารถที่จะรู้ได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว และปัญหาต่อไปหนึ่งเวลานําของไปถวายพระแต่พระไม่ได้ขันอาหารนั้นถามมาพูดถวายจะได้บุญเต็มที่ไหมในการได้บุญเต็มที่หรือไม่เต็มที่นั้นอยู่ที่เจตนาสุความร่า ง, งใจอันบริสุทธิ์ของเราแม้แต่ว่าถ้าเราไปถวายพระแล้วเรายังระแวงสงสัยในพระว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่อยู่บุญที่เราทําลงไปไมันก็ไม่ ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อย่างเต็มที่าการทำบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดว้าหนึ่งถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ทรงศิลปทรงธรรมมุ่งเพื่อการบูชาให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้กำลังแก่ผู้ทำจิตกระตาสนาเจตนาของเราบริสุทธิ์ทาบุญลงไปแล้วถึงแม้ว่าพระไม่ได้ขันขานเพียงแต่รับ เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วในปัญหาต่อไปหลังจากภาวนาพุโทโธไปไม่นานก็เกิดความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงแล้วก็สะดุง้ง<ม>และมีอาการปวดหวผลลุกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดา ของคนที่เริ่มหัดภาวนาในตอนแรกๆเมื่อเราภาวนาโพุโทพธิโทรหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นคู่ของใจเบิดจิตทำท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเพิ่มมลงไปเมื่อจิตมัรลุลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกผวังจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุม มันจะตัดกระแสแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทาท่าจะสงบรงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจเสื่นมขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ผลลุกท่านั้น เป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้กลลุกถ้าหาว่าลูกหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยลูกเป็นที่เกิดถ้าหาว่าลูกหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเวทนาคือสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่ ง, งต่างๆก็ๆๆไม่มีในเมื่อลูกหายไปแล้ว จิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อโลกเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ภาวนาจะมีความรู้ตึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งจิตจริงนั้น อยู่ในลักษณะวิญญาณเหลืออยู่เฉพาะแต่ตัวรู้แต่ตัวกระทบไม่มีถ้าหากในขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาให้จิตรู้จิต ก, ก็ไม่มีอาการรู้ในทางวิญญาณเป็นแต่เพียงว่าตัวผู้รู้สามารถที่จะส่องกระแสไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามา สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้เปรียบเหมือนกับว่าอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็อยู่ในลักษณะเอกเทศส่วนหนึ่งคล้ายๆกับมันแยกกันออกเป็นคนละส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นตอบพรา ะ, ะเหตุว่าความรู้และสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรม มันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งนั้นจึงรู้สึ ก, กเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น เึ็เรกว่าสิสิภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวโลกขันนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการณ์ที่ปรากฏผ่านมาโลกขันือโลกนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหว ก็ในขณะนั้นโลกผันคือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวรู้กับสิ่งที่รู้อย่างละเอียดที่ผ่านเข้ามาไม่มีตนมีตัว